วาระสองนิโรธวาระหนึ่งปัจจุบันวาระว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันอนุโลมบุคคลเจ็สิบเกอนุกายสังขารของบุคคลใดกําลังดับวจีสังขารของบุคคล น, นั้นก็กําลังดับใช่ไหมวิในพังขนน้ากณะแห่งลมอซาสะปาศาศาัสสะสะซึ่งเว้นจากวิตกและวิจารณ์กายสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังดับ วจีสังขารไม่ใช่กำลังดับในพังค์ขณะแห่งลมอาซาสะอซาสะของบุคคลผู้เข้าปฐมฌานและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในกลามาวจรภูมิกายะสังขารของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับและวจีสังขารก็กำลังดับปฏิวจีสังขารของบุคคลใดกำลังดับกายะสังขารของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิในพังคขณะแห่งวิตกและวิจารณ์ ซึ่งเว้นจากลมอัชชาสะปัสชาสะวจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นกําลังดับแต่กายสังขารไม่ใช่กําลังดับในพังข้าพหนแห่งลมอัชชาสะปัสชาสะของบุคคลผู้เข้าปฐมฌานและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในฟราวมวจรภูมิวจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นกําลังดับและกายสังขารก็กาลังดับอนุกายสังขารของบุคคลใดกําลังดับจิตแต่สังขารของบุคคลนั้นก็กําลังดับใช่ไหมวิใช่ ปฏิจิตตสังขารของบุคคลใดกําลังดับกายยสังขารของบุคคลนั้นก็กําลังดับใช่ไหมวิในพังคขณะแห่งจิตซึ่งเว้นจากลมอสซาสะปัสสะจิตตสังขารของบุคคลเหล่านั้นกําลังดับแต่กายยสังขารไม่ใช่กําลังดับในพังคขณะแห่งลมอสซาสะปัสสะจิตตสังขารของบุคคลเหล่านั้นกําลังดับและกายยสังขารก็กําลังดับแปดสิอนุ วจีสังขารของบุคคลใดกำลังดับจิตตสังขารของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิใช่ปฏิจิตตสังขารของบุคคลใดกำลังดับวจีสังขารของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิในพังค์ขาขณะแห่งจิตซึ่งเว้นจากวิตกและวิจาร์จิตตสังขารของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับแต่วจีสังขารไม่ใช่กำลังดับในพังคขาขณะแห่งวิตกและวิจาร จิตาสังขารของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับและวจีสังขารก็กำลังดับอนุโลมโอกาตปสิบอดอนุกายะสังขารในภูมิใดนกำลังดับวจีสังขารในภูมินั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิในทุติยชานและตติยชานในชานั้นกายะสังขารกำลังดับแต่วจีสังขารไม่ใช่กำลังดับอนุโลมะปุขะโอกาแสิบสอง อนุกายะสังขารของบุคคลใดในภูมิใดกำลังดับวจีสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังดับใช่ไหมคำที่ท่างกำหนดว่าของบุคคลใดก็ดีของบุคคลใดในภูมิใดก็ดีเหมือนกันปัจเนกาบุคคลแปสอนุกายะสังขารของบุคคลใดไม่ใช่กำลังดับวจีสังขารของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิ ในพังคฆคณะแห่งวิตกและวิจารณ์ซึ่งเว้นจากลมอัศสาสะปัสสาสะกายยสังขารของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับแต่วัถีสังขารไม่ใช่เมืม่อกำลังดับในอุปาทขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในพังคขณะแห่งจิตที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ซึ่งเว้นจากลมอัศสาสะปัสสาสะบุคคลผู้เข้านิโรธาสมาบัติและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญยสัตตภูมิกายยสังขารของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับ แล้ววจีสังขารก็ไม่ใช่กําลังดับปฏิวจีสังขารของบุคคลใดไม่ใช่กําลังดับกายสังขารของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังดับใช่ไหมวิในพังค้าขณะแห่งลมอสซาสะปัสสาสะซึ่งเว้นจากวิตกและวิจารณวจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังดับแต่กายสังขารไม่ใช่ไม่กาลังดับในอุปาทขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมด ในพังค์ฆขณะแห่งจิตที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ซึ่งเว้นจากลมอสซาสปัสซาสะบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญัตตภูมิวจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับและกายสังขารก็ไม่ใช่กำลังดับอนุกายสังขารของบุคคลใดไม่ใช่กำลังดับจิตตสังขารของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิในพังค์ฆขณะแห่งจิต ซึ่งเว้นจากลมอส า, าสาสะปัสสาสะกายะสังขารของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังดับแต่จิตตสังขารไม่ใช่ไม่กําลังดับในอุปาทขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดบุคคลผู้เข้านิโรธาสมาบัตและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิกายะสังขารของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังดับและจิตตสังขารก็ไม่ใช่กําลังดับปาฏิจิตตสังขารของบุคคลใดไม่ใช่กําลังดับ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 ปเจเนกะปุคโลกาแปสิหอนุกายสังขารของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังดับวจีสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิในพังคขณะแห่งวิตกและวิจารณซึ่งเว้นจากลมอาัศาสะปัสสะกายสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังดับแต่วจีสังขารไม่ใช่ไม่กำลังดับในอุปาท้งขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมด ในพังค์ฆาคนะแห่งจิต ท, ที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ซึ่งเว้นจากลมอสซาสะปัสสาสะบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตว ภ, ภูมิกายสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังดับและวจีสังขารก็ไม่ใช่กําลังดับปฏิวจีสังขารของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังดับคําที่ท่านกําหนดว่าของบุคคลใดก็ดีของบุคคลใดในภูมิใดก็ดี พึงขยายให้พิจารณาเหมือนกันในคำที่ท่านกำหนดว่าของบุคคลใดในภูมิใดไม่พึงเพิ่มคำว่าบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติ 2. องีติตวาระว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นอดีต อนุโลมบุคคลแปสิบเจดอนุกายสังขารของบุคคลใดเคยดับวจีสังขารของบุคคลนั้นก็เคยดับใช่ไหมวิใช่ปฏิวจีสังขาร ข, ของบุคคลใดเคยดับวิใช่ท่านจำแนกอตีตะปุชฌาในอุปาทวาระเป็นคำที่ท่านกำหนดว่าของบุคคลใดและของบุคคลใดในภูมิใดทั้งอนุโลมและปัจจนกกฉันใด แม้ในนิโรธวาระก็พึงจำแนกฉันนั้นไม่มีข้อแตกต่างกันสอนาคตะวาระว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นอนาคตอนุโลมะบุคคลแปดสิบปอนุกายยสังขารของบุคคลใดจักดับวจีสังขารของบุคคล น, นั้นก็จักดับใช่ไหมวิใช่ปฏิวจีสังขารของบุคคลใดจักดับ กายะสังขารของบุคคล น, นั้นก็จัก ด, ดับใช่ไหมวิในอุปาทขณะแห่งปัจฉิมจิตจของบุคคลผู้อุบัติอยู่ใ น, ในกามาวจรภูมิปัจฉิมจิตของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในกามาวจรภูมิ จ, จะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในลำดับแห่งจิตนั้นปัจฉิมพวิกภาบุคคลในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดจกอุบัติในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิ และปริญนิพานกำลังจุติวจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่กายสังขารไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้วจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นจักดับและกายสังขารก็จักดับอนุกายสังขารของบุคคลใดจักดับจิตสังขารของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิใช่ปฏิจิตสังขารของบุคคลใดจักดับกายสังขารของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหม ในอุปาทขณะแห่งปัจฉิมจิตของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในกรรมวจรภูมิปัจฉิมจิตของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในกรรมวจรภูมิจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในลำดับแห่งจิตนั้ น, นปัจฉินภวิกรบุคคลในรูปาวจรภูมิอารูปาวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดจกอุบัติในรูปาวจรภูมิอารูปาวจรภูมิและปรินิพานกําลังจุติจิตแตสังขารของบุคคลเหล่านั้นจากดับ แต่กายสังขารไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้จิตตสังขารของบุคคลเหล่านั้นจักดับและกายสังขารก็จักดับ89อนุว่าจีสังขารของบุคคลใดจักดับจิตตสังขารของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิใช่ปฏิจิตตสังขารของบุคคลใดจักดับว่าจีสังขารของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิ ในอุปาทคณะแห่งปัจฉิมจิตที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารปัจฉิมจิตที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในลำดับแห่งจิตนั้นจิตสังขารของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่วจีสังขารไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้จิตสังขารของบุคคลเหล่านั้นจักดับและวจีสังขารก็จักดับอนุโลมโอกาตเก้าสอนุกายสังขารในภูมิใดจักดับ อนุรวมมะบุคโลกาฏเก้าสิบเอ็ดอนุกายยสังขารของบุคคลใดในภูมิใดจักดับวจีสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิบุคคลผู้เข้าทุติยชาญและตติยชาญกายยสังขารของบุคคลเหล่านั้นในชาญนั้นจักดับแต่วจีสังขารไม่ใช่จักดับบุคคลผู้เข้าปฐมชาญและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในกลามอวจรภูมิกายยสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับ แล้ววจีสังขารก็จักดับปติวจีสังขารของบุคคลใดในภูมิใดจักดับกายสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิในอุปาทาขณะแห่งปัจฉิมจิตของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในกางมาวจรภูมิปัจฉิมจิตของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในกางมาวจรภูมิจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในลำดับแห่งจิตนั้นบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิ และอรูปราวจรภูมิวจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแต่กายสังขารไม่ใช่จักดับบุคคลผู้เข้าปฐมฌานและบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในกามาวจรภูมิวจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและกายสังขารก็จักดับอนุกายสังขารของบุคคลใดในภูมิดาจักดับจิตสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิใช่ปฏิ จิตจะสังขารของบุคคลใดในภูมิใดจักดับกายจสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิในอุปาทขณะแห่งปัจฉิมจิตของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในกลามอวจรภูมิปัจฉิมจิตของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในกลามอวจรภูมิจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในลำดับแห่งจิตนั้นบุคคลผู้เข้าจตุตชะฌาและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิ จิตสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแต่กายจสังขารไม่ใช่จักดับบุคคลผู้เข้าปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานและบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในกามวจรภูมิจิตสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและกายสังขารก็จักดับ92อนุว่าจีสังขารของบุคคลใดในภูมิใดจักดับจิตจสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหม วิใช่ปฏิจิตตสังขารของบุคคลใดในภูมิใดจักดับว่าจีสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิในอุปาทัคขณะแห่งปัจฉิมจิตที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารปัจฉิมจิตที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในลำดับแห่งจิตนั้นบุคคลผู้เข้าธุติยชาตติยชาตและจตุตชาตจิตตสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับ แต่วจีสังขารไม่ใช่จักดับบุคคลผู้เข้าปฐมฌานบุคคลผู้อุบัติอยู่ในกลามอวจรภูมิและบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิจิตตสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแลว้ววจีสังขารก็จักดับปัจจ尼กะบุคคล9๓อนุกายสังขารของบุคคลใดไม่ใช่จักดับวจีสังขารของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหม วิในอุปาทขณะแห่งปัติมจิตของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในการมาวจรภูมิปัจติมจิตของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในกามาวจรภูมิจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดใ น, ในลำดับแห่งจิตนั้นปัติมภวิกรบุคคลในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดจากอุบัติในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิแล้วปรินิพานกําลังจุติ กายสังขารของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับแต่วจีสังขารไม่ใช่จักไม่ดับในพังคขณะแห่งปัติมจิตที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์บุคคลผู้พร้อมเพียงด้วยปัติมจิตที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณปัติมจิตที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์จะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในลำดับแห่งจิตนั้นกายสังขารของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับและวจีสังขารก็ไม่ใช่จักดับปฏิ วจีสังขารของบุคคลใดไม่ใช่จักดับกายสังขารของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิใช่อนุกายสังขารของบุคคลใดไม่ใช่จักดับจิตจสังขารของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิในอุปาทขณะแห่งปัจติมจิตของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในกลางมวจรภูมิปัจติมติทของบุคคลผู้อุบัปอยู่ในกลางมวจรภูมิจะเกิดในลำดับแห่งจิตใด ในลำดับแห่งจิตนั้นปัจฉิมภวิกรบุคคลในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดจะอุบัติในรูปาวจรภูมิอะรูปาวจรภูมิและปรินิพานกําลังจุติกายสังขารของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับแต่จิตตสังขารไม่ใช่จักไม่ดับในพังค์ข้าขนาแห่งปัจฉิมจิตกายสังขารของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับและจิตตสังข า, ขางรก็ไม่ใช่จักดั บ, ตดบปติ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 กายสังขารในภูมิใดไม่ใช่จักดับปัจจเนกะบุคพโอกา๙๖อนุกายสังขารของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับวจีสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิในอุปาทภณะแห่งปัจฉิมจิตของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในคามมวจรภูมิปัจฉิมจิตของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในคามมวจรภูมิจะเกิดในลำดับแห่งจิตใด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 บุคคลผู้เข้าเจตุติชาญและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิกายสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับและวจีสังขารก็ไม่ใช่จักดับปฏิวจีสังขารของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับกายสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิบุคคลผู้เข้าทุติยชาญและตติยชาญวจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับ แต่กายสังขารไม่ใช่จักไม่ดับในพังค์าขณะแห่งปัจฉิมจิตที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์บุคคลผู้พร้อมเพลิงด้วยปัจฉิมจิตที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ปัจฉิมจิตที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในลำดับแห่งจิตนั้นบุคคลผู้เข้าเจตุตชาญและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญยสัตตภูมิวัติสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับและกายสังขารก็ไม่ใช่จักดับ อนุกายะสังขารของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับจิตตสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิในอุปาทขณะแห่งปัจฉิมจิตและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในกางมวจรภูมิปัจฉิมจิตของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในกางมวจรภูมิจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในลำดับแห่งจิตนั้นบุคคลผู้เข้าเจตุจฉานและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิ อรูบาวจรภูมิกายสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับแต่จิตตสังขารไม่ใช่จักไม่ดับในพังค์ฆาคนะแห่งปัจฉิมจิตบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตภูมิกายสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับและจิตตสังขารก็ไม่ใช่จักดับปฏิจิตตสังขารของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับกายสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหม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 จุป น, นาตีตะวาระว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันและที่เป็นอดีตอนุโลมบุคคล98อนุกายะสังขารของบุคคลใดกําลังดับว่าจีสังขารของบุคคลนั้นก็เคยดับใช่ไหมวิใช่ปฏิวจีสังขารของบุคคลใดเคยดับกายะสังขารของบุคคลนั้นก็กําลังดับใช่ไหมวิในอุปาทัคณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมด ในพังค์ฆขณะแห่งจิตซึ่งเว้นจากร่มอัาสะปัสสะสะบุคคลผู้เข้านิโรธาสมาบัติและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสศันยสัตพภูมิวจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นเคยดับแต่กายสังขารไม่ใช่กำลังดับในพังค์ฆขณะแห่งลมอาศาสะปัสสะสะวจจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นเคยดับและกายสังขารก็กำลังดับอนุกายสังขารของบุคคลใดกำลังดับ จิตตสังขารของบุคคลนั้นก็เคยดับใช่ไหมวิใช่ปฏิจิตตสังขารของบุคคลใดเคยดับกายสังขารของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิในอุปาทัขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในพังค ข, ขณะแห่งจิตซึ่งเว้นจากลมอาศาสะสัปปะ ส, สะบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติและบุคคลผู้อุิอยูในอาศันยสัตตภูมิจิตตสังขารของบุคคลเหล่านั้นเคยดับ แต่กายสังขารไม่ใช่กําลังดับในพังคะขณะแห่งลมอาศาสะปัสสะจะจิตสังขารของบุคคลเหล่านั้นเคยดับและกายสังขารก็กําลังดับเก้าอนุว่าจีสังขารของบุคคลใดกําลังดับจิตสังขารของบุคคลนั้นก็เคยดับใช่ไหมวิใช่ปฏิจิตสังขารของบุคคลใดเคยดับว่าจีสังขารของบุคคลนั้นก็กําลังดับใช่ไหมวิ ในอุปาทัศขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในพังค์ขณะแห่งจิตซึ่งเว้นจากวิตกและวิจารณ์บุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิจิตตสังขารของบุคคลเหล่านั้นเคยดับแต่วจีสังขารไม่ใช่กําลังดับในพังค์ขขณะแห่งวิตตกและวิจารณจิตตสังขารของบุคคลเหล่านั้นเคยดับและวจีสังขารก็กําลังดับอนุโลมโอกาสหนึ่งร้อย อนุกายะสังขารในภูมิใดกําลังดับอนุโลมะปุกกะโอกาส์ร้อยหนึ่งอนุกายะสังขารของบุคคลใดในภูมิใดกําลังดับวัตถีสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิบุคคลผู้เข้าทุติยชาตและตติยชาตในพังคขณะแห่งลมอซ า, าสะปัาซาสะกายะสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังดับแต่วัตถีสังขารไม่เคยดับ ในพังคขนาาน้นขณะแห่งลมอซาสะปัส า, าะสะของบุคคลผู้เข้าปฐมฌานและบุคคลผู้อุปาจูในกามาวจรภูมิกายสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังดับและวจีสังขารก็เคยดับปาิวจีสังขารของบุคคลใดในภูมิใดเคยดับกายสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังดับใช่ไหมวิในอุปาทัศขณะแห่งลมอซาสะปะสาสะ ของบุคคลผู้เข้าปฐมฌานและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในกามาวจรภูมิในพังค่าขณะแห่งจิตซึ่งเว้นจากลมอัศสาสะปัสสาสะของบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมและอรูปาวจรภูมิวตีสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับแต่กายสังขารไม่ใช่กำลังดับในพังค่าขณะแห่งลมอัศสาสะปัสสาสะของบุคคลผู้เข้าปฐมฌาน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 ในอุปาทัศขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในพังค์ขณะแห่งจิตซึ่งเว้นจากลมอสซาสะปัสสาสะจิตตสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับแต่กายยสังขารไม่ใช่กําลังดับในพังค์ขณะแห่งลมอสซาสะปัสสาสะจิตตสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับและกายยสังขารก็กําลังดับร้อยสองอนุว่าจีสังขารของบุคคลใดในภูมิใดกําลังดับ จิตตสังขารของบุคคลนั antis, helmet, S. <S ้นในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิใช่ปฏิจิตตสังขารของบุคคลใดในภูมิใดเคยดับวจีสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิในอุปาทัคขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในพังคขณะแห่งจิตซึ่งเว้นจากวิตกและวิจารณจิตตสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับแต่วจีสังขารไม่ใช่กำลังดับ ในพังค่าขณะแห่งวิตกและวิจารจิตตสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับและวจีสังขารก็กำลังดับปัจจเนีกะบุคคลในอุปาทขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในพังค่ขณะแห่งจิตซึ่งเว้นจากวิตกและวิจารจิตตสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับแต่วจีสังขารไม่ใช่กำลังดับในพังค่าขณะแห่งวิตกและวิจาร จิตสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับและวจีสัง ข, ขารก็กำลังดับปัจเนกะบุคคลร้ 103. อยสามอนุกา ย, ยสังขาร ข, ของบุคคลใดไม่ใช่กำลังดับวจีสังขารของบุคคลนั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิเคยดับปฏิวจีสังขารของบุคคลใดไม่เคยดับกายสังขารของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังดับมีไหมวิไม่มีอนุ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 จีแต่สังขารของบุคคลใดไม่เคยดับวัจีสังขารของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังดับมีไหมวิไม่มีปัจจนีกะโอกาสร้อยห้าอนุไตายะสังขารในภูมิใดไม่ใช่กำลังดับปัจจนีกะปุขคโลกาสร้อยหกอนุกตรยะสังขารของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังดับวัจีสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหม ในอุปาทัคขณะแห่งลมอสัศสะปัสสะของบุคคลผู้เข้าปฐมฌานและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในคามาวจรภูมิในพังค์ขขณะแห่งจิตซึ่งเว้นจากลมอัศสะปัสสะของบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิและอารูปาวจรภูมิรายยสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังดับแต่วัตถีสังขารไม่ใช่ไม่เคยดับ ในอุปาทาขณะแห่งลมอาสาสะปัสสาสะของบุคคลผู้เข้าทุติยฌานและตติยฌานในปังข้าคณะแห่งจิตซึ่งเว้นจากลมอาสาสะปัสสาสะของบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละบุคคลผู้เข้าเจตุทัชฌานเมื่อจิตดวงที่สองของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุทธาวาสภูมิเป็นไปอยู่บุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตภูมิกายะสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังดับ และวจีสังขารก็ไม่เคยดับปฏิวจีสังขารของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยดับกา ย, ยสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังดับใช่ไหมวิในพังค์ขณะแห่งลมอซาสะปัสสะสะของบุคคลผู้เข้าทุทา ต, ติยชาตและตติยชาตวจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับแต่กา ย, ยสังขารไม่ใช่ไม่กําลังดับ ในอุปะทะาทัคณะแห่งลมอซ า, าสะปัสสะของบุคคลผู้เข้าทุติยฌานและตติยฌานในพังค์คณะแห่งจิตซึ่งเว้นจากลมอซ า, าสะปัสสะในพังคขณะแห่งจิตซึ่งเว้นจากลมอซ า, าสะปัสสะของบุคคลเหล่านั้นนั่นแหลบุคคลผู้เข้าเจาตุทฌานเมื่อจิตดวงที่สองของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุทธาวาสภูมิเป็นไปอยู่บุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญัตภูมิ วจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับและกายสังขารก็ไม่ใช่กำลังดับอนุกายสังขารของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังดับจิตแตสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิในอุปาทขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในพังคัณะแห่งจิตซึ่งเว้นจากลมอสสาสะปัสสาสะกายสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังดับ แต่จิตตสังขารไม่ใช่ไม่เคยดับบุคคลผู้กำลังอุบัติในสุทาวาสภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตภูมิกายสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กาลังดับและจิตตสังขารก็ไม่เคยดับปฏิจิตตสังขารของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยดับกายสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กาลังดับใช่ไหมวิใช่ร้อยเจอนุ ว่าจีสังขารของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังดับจิตตสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิในอุปาทัขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในพังคขณะแห่งจิตซึ่งเว้นจากวิตกและวิจารว่าจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังดับแต่จิตตสังขารไม่ใช่ไม่เคยดับบุคคลผู้กำลังอุบัติในสุทธาวาสภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญัตตภูมิ วจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังดับและจิตสังขารก็ไม่เคยดับปฏิจิตสังขารของบุคคลใดในภูมิดไม่เคยดับวจีสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิใช่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 ในพังค์ขณะแห่งจิตซึ่งเว้นจากลมอสซาสะปัสสาสะบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอาศัยสัตตภูมิวัีสังขารของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่กายยสังขารไม่ใช่กำลังดับในพังค์ขณะแห่งลมอสซาสะปัสสาสะวัีสังขารของบุคคลเหล่านั้นจักดับและกายยสังขารก็กำลังดับอนุกายยสังขารของบุคคลใดกำลังดับ จิตตสังขารของบุคคล น, นั้นก็จักดับใช่ไหมวิใช่ปฏิจิตตสังขารของบุค ค, คลใดจักดับกายสังขารของบุคคล น, นั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิในอุปาทขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในพังคขณะแห่งจิตซึ่งเว้นจากลมอาสะปัสสะสะบุคคลผู้เข้านิโรธาสมาบัติและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอาัญยสัตต ภ, ภูมิจิตตสังขารของบุคคลเหล่านั้นจักดับ แต่กายสังขารไม่ใช่กำลังดับในพังค์ณะแห่งลมอสาสะปัสสะจักจิตตสังขารของบุคคลเหล่านั้นจักดับและกายสังขารก็กำลังดับร้อเก้าอนุว่าจีสังขารของบุคคลใดกำลังดับจิตตสังขารของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิในพังคขณะแห่งปัจฉิมจิตที่มีทั้งวิตกและวิจารว่าจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับ จิตตสังขารไม่ใช่จักดับในพังคขณะแห่งวิตกและวิจารณของบุคคลนอกนี้วจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นกําลังดับและจิตตสังขารก็จักดับปฏิจิตตสังขารของบุคคลใดจักดับวจีสังขารของบุคคลนั้นก็กําลังดับใช่ไหมวิในอุปาทัขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในพังคขณะแห่งจิตซึ่งเว้นจากวิตกและวิจารณบุคคลผู้เข้านิโรธาสมาบัติ และบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิจิตสังขารของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่วทีสังขารไม่ใช่กำลังดับในพังค์าขณะแห่งวิตกและวิจารณ์จิตสังขารของบุคคลเหล่านั้นจักดับและววจีสังขารก็กำลังดับอนุโลมมโอกาสร้อยสิอนุกายยสังขารในภูมิใดนกำลังดับอนุโลมปุคโลอกาศร้อยสิบเอดอนุ กายสังขารของบุคคลใดในภูมิใดกำลังดับวจีสังขารของบุคลคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิในพังคขณะแห่งลมอสาสะปัสซาสะของบุคคลผู้เข้าทุติยชาญและตติยชาญกายสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังดับแต่วจีสังขารไม่ใช่จักดับในพังคขณะแห่งลมอสาสะปัสซาสะของบุคคลผู้เข้าปฐมชาญ และบุคคลผู้อุบัติอยู่ในกลางมาวจรภูมิกายสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังดับและวจีสังขารก็จักดับปฏ like. ิวจีสังขารของบุคคลใดในภูมิใดจักดับกายสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังดับใช่ไหมวิ vi. ในอุปาทขณะแหง่งลมอาซาสะปัสสะของบุคคลผู้เข้าปฐมฌานและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในกลางมวจรภูมิในพังคขณะแห่งจิต ซึ่งเว้นจากลมอัศสาสะปัสสาสะของบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิวจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแต่กายสังขารไม่ใช่กําลังดับในพังค์ขขณะแห่งลมอัศสาสะปัสสาสะของบุคคลผู้เข้าปฐมฌานและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในกามาวจรภูมิวจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับ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 จิตตสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแต่กายสังขารไม่ใช่กำลังดับในพังค่าขณะแห่งลมอสซาสะปัสสาสะจิตตสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและกายสังขารก็กำลังดับ1้ออนุว่าจีสังขารของบุคคลใดในภูมิใดกำลังดับจิตตสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิในพังค่ขณะแห่งปัจฉิมจิต ที่มีทั้งวิตกและวิจารวัตถีสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมิน mm hmm. ั้นกําลังดับแต่จิตตสังขารไม่ใช่จักดับในพังค่าขณะแห่งวิตกและวิจารณของบุคคลนอกนี้วัตีสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นก uh ําลังดับและจิตตสังขารก็จักดับปฏิจิตตสังขารของบุคคลใดในภูมิดาจักดับวัตีสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังดับใช่ไหมวิ ในอุปาทขณะแห่งจ AH ิตของบุคคลทั้งหมดในพ AH ังค์ขขณะแห่งจิตซึ่งเว้นจากวิตกและวิจารณ์จิตตสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแต่ว่าจีสังขารไม่ใช่กําลังดับในพ AH ังค์ขณะแห่งวิตกและวิจารณ์จิตตสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแล้ววจีสังขารก็กํากลังดับปัจจินีกบุคคลร้ 3, อยสิบสามอนุ กายสังขารของบุคคลใดไม่ใช่กำลังดับวจีสังขารของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิในอุปาทขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในพังคขณะแห่งจิตซึ่งเว้นจากลมอสซาสปัสซาส ะ, สาสะบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิกายยสังขารของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับแต่วจีสังขารไม่ใช่จักไม่ดับในพังคะขณะแห่งปัจฉิมจิต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 ในพังค่ขาขณะแห่งปัจฉิมจิตกายจสังขารของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังดับและจิตจสังขารก็ไม่ใช่จักดับปฏิจิตจสังขารของบุคคลใดไม่ใช่จักดับวิใช่ร้อยสิบสี่อนุว่าจีสังขารของบุคคลใดไม่ใช่กําลังดับจิตจสังขารของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิในอุปาทขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมด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 จิตตสังขารของบุคคลใดไม่ใช่จักดับวจีสัสงขารของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิในพังค ข, ขณะแห่งปัจฉิมจิตที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์จิตตสังขารของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับแต่ว่าจีสังขารไม่ใช่ไม่กำลังดับในพังค ข, ขณะแห่งปัจฉิมจิตที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณจิตตสังขารของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับแล้ววจีสัสงขารก็ไม่ใช่กำลังดับ ปั จ, จเนกาโอกาตร้อยสิบห้าอนุกายะสังขารในภูมิใดไม่ใช่กำลังดับปัจจนกาปุขะโลกาตร้อยสิบหกอนุกายะสังขารของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังดับวจีสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิในอุปาทัคณะแห่งลมอาซาสะปัสสะของบุคคลผู้เข้าปฐมฌาน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 ที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารปัจฉิมจิตที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารจะเกิดในลําดับแห่งจิตใดในลําดับแห่งจิตนั้นในอุปาทขณะแห่งลมอสซาสะปัสสะสะของบุคคลผู้เข้าทุติยฌานและตติยฌานในพังค์คณะแห่งจิตซึ่งเว้นจากลมอสซาสะปัสสะสะของบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละบุคคลผู้เข้าเจตุตฌานและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญัตตภูมิ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 แต่กายส <life> ังขารไม่ใช่จ <gae> ักไม่ด <V ice> ับในพังคขณะแห่งปัจฉิมจิตที่มีทั้งวิตกและวิจารณบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยปัจฉิมจิตที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารปัจฉิมจิตที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในลำดับแห่งจิตนั้นในอุปาทคขณะแห่งลมอาสะปัสสะสะของบุคคลผู้เข้าทุติยฌานและตติยฌานในพังคขณะแห่งจิต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 วจีสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิในพังค้าขณะแห่งปัจฉิมจิตที่มีทั้งวิตกและวิจารจิตตสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จากดับแต่วจีสังขารไม่ใช่ไม่กำลังดับในพังค้าขณะแห่งปัจฉิมจิตที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิจิตตสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จากดับ แล้ววิธีสังขารก็ไม่ใช่กำลังดับ